ญท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2557เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันอาสาบูชา ก็คือวันครบรอบวันเกิดของพระพุทธศาสนานี่เองพระพุทธศาสนาได้ปรากฏขึ้นมาเมื่อ 2,600 สองปีมาแล้วในวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกและหลังจากที่ได้ประกาศพระธรรมคำสอน และมีผู้ฟังหนึ่งท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุเป็นพระอริยสงสาค ก, ก็เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสามองค์คือมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนและมีพระอริยสงสากนี่คือ องประกอบของพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยคือพระพุทธก้าธรรมพระสง ม, มีปรากฏขึ้นมาในวันอาสาฬหาบูชาเมื่อ 2,600 สองปีมาแล้ววันนี้จึงมีความสำคัญต่อพวกเราเป็นอย่างมากเพราะพระพุทธศาสนาเป็นเหมือน ลมโผล่มใสที่พวกเราเป็นเหมือนเหมือนนกที่มาคอยอาศัยความร่มเย็นคอยอาศัยแสงสว่างของพระพุทธศาสนาที่บอกทางให้พวกเราได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขแต่ปราศจากความทุกข์ วันอาสาบูชาจึงเป็นวันหนึ่งในวันสำคัญที่พวกเราจะล้ำลึกถึงกันและปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อความสุขและความเจริญของชีวิตและจิตใจการบูชานี้มีวิธีบูชาอยู่สองวิธีด้วยกัน วิธีแรกเรียกว่าอา mis บูชาวิธีที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูบชาอาส i s บูชาก็คือการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทุกเทียนต่างๆวิธีที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูบชาคือปฏิบัติการวาจาใจของเราไปใน ทามคําสอนของพระพุทธเจ้าการบูชาสองรูปแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงตัสว่าการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่แท้จริงดังที่ได้ทรงกล่าวไว้ในมงคลลสุดว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตะมังการาบูชาบุคคล ที่สมควรแก่การบูชานำมาซึ่งความเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตบุคคลที่สมควรแก่การบูชาก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายการปฏิบัติ บ, บูชาจะทำให้เราได้รับ อนิสงศได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงการบูชาด้วยอมิสบูชาเช่นพวกเครื่องสักการะทูกเทียนดอกไม้ก็เป็นการบูชาแบบผิวเผินไม่ได้เข้าไปถึงเนื้อเนื้อหาของการบูชาอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตัวของเราให้เป็นคนดีเพราะ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิดามาดาคูบาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายนั้นท่านไม่ปรารถนาไม่ต้องการอะไรจากเรานอกจากอยากจะเห็นให้พวกเรานั้นมีความร่มเย็นเป็นสุดมีความเจริญก้าวหน้ามีความห่างไกลจากความทุกข์จากความเดือดร้อนต่างๆ ความสุขและความเจริญและการอยู่ปราศจากความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายใจต่างๆนี้ก็อยู่ที่การกระทำของเหล่านี้ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีความสุขความเจริญก็จะตามมาถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆก็จะตามมา ดังนั้นพระพุทธเจ้าและบิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายจึงสอนให้พวกเราทำบุญละบาปและจำระใจของพวกเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะการกระทำทั้งสามประการนี้จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุดความเจริญก้าวหน้า ความปราชจาความทุกข์ภัยทั้งหลายทุกขต่างๆนั้นเกิดจากการกระทำของเราเช่นการเสกอบายามุขการกระทำบาปเวลาเราเสกอบายามุขเช่นเดินโซรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดคร้าน เราก็จะถูกการกระทำเหล่านี้ฉุดลากให้เข้าสู่กองทุกฉุดลากให้เราไปทำบาปทากรรมเพราะการเสพอบายามุขนี้ไม่ได้ทำให้เกิดผลประโยชน์ขึ้นมาไม่ได้เงินทองไม่ได้ร่มได้รวยจากการเสพอบายามุกมีแต่จะเสียเงินเสียทองเสียเวลา เสียสุขภาพทางร่างกายและเสียสุขภาพทางจิตใจทำให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมเพราะเวลาที่เราหมดไม่มีเงินไม่มีทองแต่เรายังอยากจะเสพอยู่เช่นยังอยากจะดื่มสุรายังอยากจะเล่นการพนันยังอยากจะเที่ยวกลางคืนเราก็ต้อง ไปทำบาปเช่นไปรักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงเพราะเราจะไม่มีความสามารถในการทำมาหากินเพื่อที่เราจะได้มีรายได้เข้ามาจุนเจือเพราะเวลาของเราจะหมดไปกับการเสพอบายามุขน่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราอย่าไปเสพอบายามุข อย่าไปทำบาปเพราะทำแล้วจะมีแต่ความทุกข์มีความเดือดร้อนตามมาขอให้พวกเราทำความดีกันด้วยการมีอาชีพที่สุดเจริญเรียกว่าสามาชีพตั้งใจทำมาหากินเก็บเงินเ ก, เก็บทองประหยัดมัธยมอย่าใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยเพราะ เวลาใช้แล้วจะติดเป็นนิสัยเงินทองจะไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้เหมือนกับมีถังน้ำที่เราตักน้ำแต่ถังมันมีรอยรั่วมีรูรั่วตักน้ำเท่าไหร่น้ำก็ไหลหายไปหมดเก็บน้ำไว้ไม่ได้การใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายการใช้เงินแบบไม่มีเหตุไม่มีผล จะทำให้เราไม่สามารถที่จะเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ได้เมื่อเราไม่สามารถเก็บเงินเก็บทองเราก็จะไม่มีฐานะที่ดีในเรื่องของการเงินการทองเรามักจะขาดเงินขาดทองไม่พอใช้เมื่อเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกู้หนี้ยืมสินก็ต้องเสียดอกเบี้ย แล้วก็จะไม่มีความสามารถที่จะคืนเขาได้ก็จะต้องเดือดร้อนหนีเจ้านี้หลบหน้าเจ้านี้และถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาพบเข้าถ้าเป็นคนดุร้ายเขาก็จะส่งคนมาทุบตีทำร้ายร่างกายของเราได้นี่คือผลเสียที่เกิดจากการไม่รู้จัก ประหยัดมัธยัติไม่รู้จักการเก็บเงินเก็บทองให้มีไว้สำหรับใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นดังนั้นนอกจากต้องมีความขยันทรมาหากินแล้วก็ต้องมีความพยายามที่จะเก็บออมเงินทองที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบาก เก็บไว้เผื่อในวันข้างหน้าที่เราอาจจะไม่สามารถหาเงินหาทองได้แล้วเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่แก่ชราภาพเราก็ต้องอาศัยเงินทองที่เราได้สะสมเก็บเอาไว้เราก็จะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินดังนั้นขอให้พวกเราพยายามทำความดีกันแล้วนะถ้าเรามีเงินทองมากเหลือใช้มากกว่าที่เราจําเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ก็ขอให้เราเอามาทำบุญกันมาแบ่งปันกัน เอาเงินทองมาช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะเป็นการเอาเงินเข้าธนาคารบุญธนาคารบุญก็คือเงินทองที่เราจะเอาติดตัวไปได้เวลาที่เราตายไปแล้วบุญนี้เป็นเงินทองของผู้ที่ร่วมรับไปแล้วถ้ามีบุญ เวลาตายไปแล้วก็จะไปแบบเศรษฐีจะไม่ไปแบบขอทานแบบขอทานเป็นอย่างไรก็พวกที่เป็นเปรตนี่เราเรียกว่าพวกขอทานพวกที่ต้องมารอรับส่วนบุญขอส่วนบุญจากผู้ที่มีชีวิตอยู่ส่วนพวกที่เป็นเศรษฐีพวกที่มีบุญติดตัวไปนี้เป็นพวกเทวดา พวกนี้เขาไปอย่างสุขอย่างสบายไปเสพ ร, รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เหมือนกับที่พวกเราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการจะไปท่องเที่ยวได้ก็ต้องมีเงินทองถึงจะไปได้ถ้าไม่เก็บเงินเก็บทองไว้ก็จะไม่สามารถไปท่องเที่ยวได้ถ้าไม่ทำบุญทําทานก็จะไม่สามารถไปสวรรค์ได้ เวลาที่ตายไปแล้วถ้าไม่รักษาศีลคือทบาบาปเป็นอาจินฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเามาก็จะต้องไปรับผลของการกระทบาบาปในอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้าง นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั้ที่พวกเรามองไม่เห็นกันไม่รู้กันเพราะผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายแต่จิตใจของพวกเราแล้วพวกเราก็ไม่ได้อยู่ที่ในร่างกายพวกเราอยู่ในจิตใจเราไปกับจิตใจจิตใจไปสวรรค์เราก็ได้ไปเป็นเทวดา จิตใจไปอบายเราก็ต้องไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่มองมองไม่เห็นกันจึงอาจจะไม่เชื่ออาจจะคิดว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสัมสอนนี้เป็นสิ่งที่หลอกให้ทำไปอย่างนั้นเองไม่มีผลอะไรตามมาเพราะเราคิดว่า หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็ไม่มีผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปนั่นเองแต่ความจริงเรายังมีอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากร่างกายนั่นก็คือจิตใจจิตใจนี่แหละเป็นตัวเราที่แท้จริงเราใช้จิตใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้เรามาวัดกัน ก็เพราะว่าเราใช้จิตใจสั่งให้ร่างกายมาวันสั่งด้วยความคิดคิดว่าวันนี้เป็นวันอาสาหาบูชาเป็นวันที่จะต้องมาวัดมาทำบุญก็สั่งให้ร่างกายเดินทางมาก่อนที่จะเดินทางมาก็ให้ไปซื้อข้าวซื้อของเตรียมข้าวเตรียมของต่างๆเพื่อที่จะได้นำเอามาทำบุญพอมาถึงวัดได้ทำบุญแล้ว ผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือใจนั่งกายไม่ได้รับประโยชน์อะไรแต่ใจได้รับประโยชน์เวลาได้ทําบุญแล้วก็เกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมาทั้งๆที่ทร่างกายยังไม่ได้รับประทานอาหารแต่ใจกลับมีความสุขมีความอิ่มใจขึ้นมาเพราะได้รับอาหารคือบุญนี้บุญนี้จึงถือว่า เป็นอาหารเป็นทรัพย์ที่จะดูแลจิตใจของเราทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่มีร่างกายอยู่และในขณะที่ไม่มีร่างกายแล้วใจเราจะไม่หิวโหยไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเหมือนกับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญผู้ที่ไม่ได้ทำบุญนี้ใจไม่มีอาหารไม่มีทรัพย์คอยดูแล จะมีความหิวโหยเดือดร้อนต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไม่รู้จักหยุดจากหยอ่อนแล้วก็ได้มาก็ไม่ทําให้มีความ อ, อิ่มความพอเพราะสิ่งที่อยากได้ไม่สามารถทําให้จิตใจเกิดความอิ่มเอิบได้เช่นวันนี้ถ้าญาติเดียวไม่ได้มาวัดเราเอาเงินทองที่จะมาซื้อของมาทาบุญ เอาเงินทองนี้ไปเที่ยวกันไปใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อของฟุ่มเฟือยหรือซื้อความสุขทางตาหูจมูกนืนกายใจของเราจะไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มแต่กลับจะเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นอยากจะเที่ยวมากขึ้นอยากจะซื้อความสุขทางตาหูจมูกมินกายเพิ่มมากขึ้น เพราะการหาความสุขทางร่างกายนี้ไม่ได้เป็นการให้ความสุขกับใจไม่ได้ให้อาหารกับใจใจกับมีความหิวโหยมีความอยากอยู่อย่างไม่หยุดไม่หย่อนแต่ถ้ามาให้อาหารกับใจด้วยการทำบุญสร้างบุญขึ้นมาพ่อบุญนี้คืออาหาร พอได้แล้วก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจเกิดความพอใจถ้าทำบ่อยๆต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรอยากจะหาความสงบอยากจะทำบุญพอทำแล้วมีแต่ความสุขใจสบายใจนี่คือการบูชาที่แท้จริงบูชาด้วยการทำบุญบูชาด้วยการไม่กระทำบา เพราะเมื่อได้บูชาแบบนี้แล้วชีวิตของเราก็จะดีขึ้นมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นไปสุขทุกขนี้อยู่ในใจอยู่ที่ตัวเราเราเป็นผู้สร้างสุขและทุกนี้ขึ้นมาเองถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเราก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเราคิดดีพูดดีทาดีเราก็จะสร้างความสุขใจขึ้นมาสร้างความเจริญให้แก่จิตใจจิตใจเราจะพัฒนาจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพจากเทพก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมก็จะไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ขั้นพระพุทธเจ้าเกิดจากการคิดดีพูดดีทําดี เกิดจากการไม่เกิดจากการไม่ไม่กระทำบาปไม่คิดบาปไม่พูดบาปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและผู้มีพระคุณทั้งหลายปรารถนาให้พวกเรากระทำกันถ้าเราอยากจะนมบูชาน้อมน้อมตอบแทนพระคุณอันใหญ่หลวงของผู้ที่มีพระคุณแก่เราก็ขอให้เรา ทดแทนบุญคุณบูชาพระคุณของท่านด้วยการกระทําความดีกันขอให้เราคิดดีพูดดีทดําดีขอให้เราละการกระทําบาปทั้งปวงแล้วขอให้เราชํำระใจของเราให้สะอาดคือปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากตัมหาความอยากต่างๆเพราะ ความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นเชื้อของภพชาติเป็นตัวที่จะผลักดันให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้าเล่าเวลากลับมาเกิดก็ต้องมารับผลของการกลับมาเกิดก็ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายนักปราชญ์ทั้งหลายท่านถึงไม่กลับมาเกิดกัน นักป่าเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวรมทั้งหลายท่านจึงบำเพ็ญปฏิบัติธรรมกันเพื่อชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างผู้ที่ได้มาบวชในช่วงนี้ก็เป็นผู้ที่มีความปราทนาที่จะชำระใจของตนให้สะอาดตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอน ถ้าสามารถชำระได้มากภพชาติก็จะมีจำนวนน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าชำระได้สะอาดหมดจดก็จะไม่มีภพชาติตามมาอีกต่อไปไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาไม่ต้องมาทุกข์มาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้จะอยู่ในสวรรค์ชั้นนิพพานอย่างถาวร มีความสุขอยู่ตลอดเวลานี่คือผลที่เราจะได้รับถ้าเราบูชาตามที่พระเจ้ธธาได้ทรงสอนให้บูชากั น, ก, นก็คือให้ทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดหมดจดในวันสำคัญวันนี้จึงขอให้ท่านจงได้นำเอาวิธีบูชาที่ พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเราบูชาคือการปฏิบัติบูชานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจรารณาและปฏิบัติเพื่อความนุ่มเย็นเป็นสุดความแค้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแกเร่เวลา